ญาโยมก็ต้องสั้งเร็จว่างหลังจากการทางบัดเตาวันนี้พอมีการมาเน่เมวิธีปฏิบัติให้พวกเราให้มีความเฉลี่สบายขึ้นเพื่อให้มันรัดคุมเข้าเหียงกนได้วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบสาม เดือนมีนาคมในศาลโยน2 5 3 1พวกเรามาปฏิบัติธรร ม, มาต่างจังหวัดต่างอำเภอมาแต่เรามาแล้กวก็ต้องลงมือทำกันลงมือปฏิบัติกันไม่ได้มาศึกษาเรีย น, นคือมาศึกษาวิธีปฏิบัติ ศึกษาให้รู้วิธีปฏิบัติเมื่อเราศึกษาให้รู้วิธีปฏิบัติแล้วการลงมือปฏิบัติก็สะดวกสบายขึ้นเมื่อเรายังไม่ได้ศึกษาวิธีปฏิบัติมาเรียนวิธีปฏิบัติการปฏิบัติก็ไม่สะดวกไม่สบายคุ่นข้กลัวจะทิกลัวจะถูกอย่างนี้มันมันำคาญ ให้แก่เราเองบัดนี้เมื่อเราศึกษาวิธีปฏิบัติแล้วเราลงมือปฏิบัติเพราะว่าเราสำนิกสานานในการกระทมแล้วเราปฏิบัติก็สะดวกสบายขึ้นเอง<ม>เมื่อเราสะดวกสบายขึ้นความเป็นความมีที่สบายมันก็จะตามมาเราปฏิบัติให้มีความสบายเอง ไม่ได้ปฏิบัติให้มันมีคนยุ่งไม่ได้ปฏิบัติให้มันมีคนทุกแต่ความสบายมีมีอยู่สองอย่างความสบายอย่างที่เขาเล่านิทานกันไว้อยมีเพื่อนสองคนด้วยกันเคยรักษาศีลเคยให้ทานเคยทาําสมถทานทุกสิ่งทุกอย่างทําด้วยกันทั้งหมดคนหนึ่ง ทำถูกดีแล้วก็สะดวกดีคนนึ่งผิดบ้างถูกบ้างวันนี้ทั้งสองคนนี่ mm. ก็เลย mm. ตายไปมีอายุมากตายไปตายไปคนที่ทําดีถูกต้องสบายนําคนำุดมาให้ก็เลยไปเกิดติงเทวดาคนนึ่งทําผิดบ้างถูกบ้าง ทุกบ้างสุกบ้างมันมีคิดแล้ก็มีผูกเมื่อมีพฤตกรมีความทุกเมื่อมันถูกต้องก็มีความสุขตายแต่จะไปเป็นนอนไปตป็นนอนอยู่ที่ห้องร่วมของผ้าทั้งสองคนนี่ก็ละหากันเมื่อตายไปแล้วก็หากันแ น, นี้คนเป็นเทวดาก็ต้องมีตาทิพมีหูทิพ สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้เป็นบางอย่างไม่ว่าคนที่ไปเป็นหนอนก็ไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์ก็จะมีความทุกข์คนามสุขเป็นธรรมดากันนี้ดังนั้นจึว่าการปฏิบัติธรรมะรนี่การศึกษาเราต้องศึกษาให้รู้และวิธีปฏิบัติก็ต้องให้รู้จึงว่ามันรู้แล้วมันก็สบายจะาน บัด น, นี้เมื่อมาหากันระเบิดผู้เป็นธรรมดาก็เลยเห็นเพื่อนเราแต่เป็นหนอนอยู่กองจละขอ ง, ะะองพระช่วมของพระกะ็เลยมามาถามเพื่อนเพื่อนมาถามหนอเออทำไม่เลยมายูริดนานเลวเนอะว่ามายุริด้นานเ้ยเธอมาจากที่ไหนหนอนถามมาจากเมอลสวรรค์อ๋อ เมืองสวรรค์ยังไงเพื่อนโอ้เมืองสวรรค์มีควาสุกไปดีเดียกันไมถามแทนเราคุ้มค่าเมืองสวรรค์ให้ฟังก่อนหน้าเพื่อนเลยผู้เป็นหนอนทีแรกก็อยากไปเดียกันจะเล่าอะไรก็ทีแรกก็อยากไปเดวยกันเทว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ไปเมืองสวรรค์ด้วยเพื่อนเราอยากให้เพื่อนเราให้ฟัง หน่เมืองสวรรค์มีคุณค่าหลายบ้านเมืองสวรรค์มีคนสุกไม่ได้ทำนาไม่ได้ทำสวนไม่ได้คิดซื้อไม่ได้ไม่ได้คิดขายไม่ได้ทำอะไรนึกนึกเอาก็ได้นึกอยากใส่เสื้อผ้าเครื่องใส่ไม้สอยบ้านเรือนเครื่องประดับทุกสิ่งทุกอย่างนึกอา่าเรามีมาพร้อมแม้ตลอดอาหารการกิน นึกแล้ก็อิ่มแล้วอ๋อมีคุณค่าอย่างนั้นจริงในสวรรค์เออไปไม่เพื่อนโอ้เมืองสวรรค์ยังมีการได้นึกยังมีการนึกฝันคิดที่นี่ก็สบายนะ เ, เนี่ยเพื่อนเนี่ยมันมันมั น, นขมทุกข์ไม่เหมือนกันเด๋ยมทุกข์มีสองอย่างสบายอะไรอน่ยอยู่ที่นี่ไม่ได้นึกไม่ได้ฝันเลยเถิงเวลาเขามา มาให้ในอาหารแล้วก็อาหารก็อาหารดีๆที่นั่งที่นอนก็นดีๆนิ่มนวลดีทุกสิ่ใส่บเบื้องไหนก็มีแต่อาหารดีๆที่นอนกันนิ่มนวลดีแล้วทำไมวันนิ่มนวลที่นี่ก็นิ่มนวลดีไม่ได้อุดได้ยากอะไรอ่อมันไม่ใช่ของดีนะเพื่อนนะที่พวกเป็นเทวดามนะอะไรอันนี้ไม่ได้ของดี อุจจาระบ้านาเราพอดีกัที่อุจจาระกับที่เป็นคําเดียวอันนี้อุจจาระเพื่อนนนี้อุจลาดะไม่ถึงของดีเจ้เพื่อนอ น, อ น, ออ น, นี่ยไม่ถึงของดีของเหม็นก็ของเม็นที่เพื่อนอันนี้ถามเเทว ด, ดากระล้อยฟังของตัวของเหมนของสกปรกอันนี้ไม่ควรที่มาอยู่อย่างนี้เพื่อนเ ม, นนมื่อสวรรค์มีไหมมีอุจจาระ ของสกุลอย่างนี้ไปเพื่อนเอาเมืองสวรรค์มันก็ไม่มีแนละ้วเพราะมันมีของทิพ ไ, ไม่มีอุจจระอีกแล้ด้วยก็ถ้าไม่มีของสกุลไม่มีอุจจระให้กินเราไปนะ่ะมึงไม่ได้แบบเพื่อนหรือว่าเราก็ไปน่ะเพื่อนไม่ได้หรอกจีว่ายังจะได้ทนะาไมจินไปไม่ได้เนะี่ยเพราะเรากินอุจจระกินของสกุลๆแล้วเอาหัวตักสกัดอุจจระอันนี้กฎเช่นเดียวกัน คนเราพูดกันแล้วไม่มูเรื่องเนีความชั่วเขาบอกว่าความชั่วหน้าที่จะเลิกละเปลี่ยนแปลงได้ไสิเพราะว่ามีคนพูดคนสอนแต่คนชั่วนะี่ยทำดีก็ยากคนดีี่ทำชั่วได้ยากมันมีเท่านี้เองคำพูดคาจาถ้ามีนิสีการที่ทำเมื่อทำผิดแล้วก็ทำให้เราเดือดร้อน ผิดบ้างถูกบ้า ง, างมีความสงสัยกังวลใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้า ง, างมันก็เลยไปไม่ได้ เ, เมื่อเราศึกษาวิพนธ์ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องความสงสัยกังวลใจตัวนี้เนี่ยเร่ความสุขความสุขก็เป็นผลตามมาสือวมไม่ทุกเกิดขึ้นให้ได้คือจิตใจเองเนี่ยมันเป็นสุขอยู่แล้วอันสิเลสน่ย <c oughs> มันว่า มันผิดมันถูกเนี่ยมันไม่มีความจำสิเดเพียะว่าเราจะปฏิบัติธรรมให้รูก้กับธรรมชาติเพราะธรรมชาติของคนทุกคนมันมีปกติปกติใส้อันว่าปกตินี่มีทุกคนแม้สัตว์เดยสารก็มีแต่มันเอาปกติไปใส่ในใดสัตว์โดยสารย่างนอ น, นมีปกติเหมือนกัน แต่มันไม่รู้หลอกปกติคืออะไรมันไม่รู้ตคนนี่ถ้าหากว่าไม่รู้ปกติอ็ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ใช่คนในสนุดของพ่อพูดทำไมที่ไม่ใช่คนไม่มีปัญญามจะมีเป็นคนได้ทําไมคนมันต้องมีปัญญาเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้กับชีวิตของเราจพ่อเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์จึงเป็นผู้หักข้าม คิดใจได้คือไม่ไปตามอารมณ์ที่เป็นมนุษย์ทำไรอารมณ์ น, คนคี่มันเป็นผลคิดมันทุกคิดแล้วเรื่องรู้จักอันตรนั้นมันคิดแต่เหมืนไม่รู้จักคือว่ามันไม่รู้จักปกติคิดปกติจะข้างทั่วคิดปกติไปข้างดีทั้งสองอย่างนี่เขาเรยกว่บ้าเท่านั้นคิดปกติจะข้างดีกดทม พอใจในข้างนี้ก็บ้าทิกปกติในข้งทั่วทุกทรุณทลายก็บ้าเกี่ยวบ้าเนี่ยมันไม่ใช่บ้าอย่างที่ผมพ่อพูดอย่างที่คนทั่วไปพูดเลยบ้าไม่รู้จักอายไม่ใช่บ้าอย่างนั้นบ้าอย่างนั้นคือบ้าไม่รู้จักอายหมดหมดแล้วหมดอะไรหมดความเป็นคนหมดความเป็นมนุษย์ หมดความเป็นอะไรบุคคลจะเฟื่องตัวควาเป็นคนคืนมาไม่ได้จะเฟื่องตัวคืนมาเป็นมนุษย์ไม่ได้จะเฟื่องตัวคืนมาเป็นอะไรบุคคลไม่ได้เื่อหมดควมเป็นคนเมื่อหมดความเป็นคนก็ไม่รู้นิสิติภาวะอะไรคือไม่รู้นิสิติภาวะนะคบ้าอย่างหนักบ้าร้อยปอดังนั้นกพื่านให้ฝึกหัดดัดแปลงนิสัยตัวเอง ให้รู้จักสมมุติบ้านให้รู้จักปรมัติบ้านให้รู้จักอริยบัญญัติบ้านนี่ว่าให้รู้จักสมมุติแล้วก็บัญญัติขึ้นมาเป็นปรมัติสมมุติบัด น, นี้ปรมัิก็สมมุติขึ้นมาเป็นปรมัติจริงอัตถะคือมันลึกลับซับซ้อนที่เราจะแยกแยกออกมา แต่ไม่จำไปยุาวาธธาิญญาณอัฏฐะบัญญัติคือลึกลึกยากคนที่จะเข้าใจผู้ที่เป็นอัจริยบุคคลเหลือนไปจากมนุษย์เลยบริสุทเพราะหากข้ามได้แล้วเป็นอัจริยบุคคลที่จะรู้จักอริยะบัญญัติอัฏฐะคือลึกลึกลับลับซ้อนคนที่จะรู้อัฏฐะได้ก็ต้องเป็นอัจริยบุคคลท่านจึงว่ามีคู่แปดบุรุษนี้ เอสาพระวัโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระพุทธเจ้าอาหุในยโยปาหในายโาายโทักจินโยโยอันสัลีเจริญโยอนุตรังปุญญาตังโลกาสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกเนื้อนาบุญอย่างอื่ไม่มีควรเขารบควรกราบไว้ควรเข้าไปใกล้บุคคลผู้เช่นนั้น ันสอนอย่างนั้นแต่เราไปใกล้แต่เราไม่รู้นี่มันปัญหามันซึ่งทีเพราะเราไม่มีคุณธรรมแบบเรายังไม่ใช่คนเราไม่ใช่คนจะไปรู้คุณทําแบบนั้นได้สม่ำเราไม่เป็มนุษย์ที่ไปรู้คุณทําแบบนั้นได้สม่ำเราไม่ได้เป็นอะไรแบบบุคคลเราจะไปรู้คุณทําแบบนั้นทําม่ำเดี๋ยวคนมันไม่ใช่คนี่จะเลือกคัดจัดหาออกไม่ได้ก็ไม่ใช่คน คนที่รู้อย่างนั้นเขาเรียกผู้มีปัญญาอย่างที่สุกเหนือุกคุ้นเจ้ท่าน เ, เรียนปริยาติีปริยัตโทรปริยัตเอกปริยัติขวจจบในการศึกษาขั้นต้นแต่บ้านหนึ่งข้อไม่เคยมีปอสี่เ่อจบปอสี่ยส อ, อ, ย อ, สอย่างสูงจะคนเป็นครูโรงเรียนเดียนนี้ก็ต้องปอหกเอราะว่ยังจบ ต่อมากะมีมัธยมสามมัธยมหกมัธยมหกยังไม่มีในบ้านหลวพอดีนี่เขามีมัธยมสามกันดีมีมัธยมสมัธยมหกต้องเข้ามาเรียนอำเภอสีเดี๋ยวนี้เขามีมัธยมแปดแต่เมัธยมหกยังไม่เลยก็ต้องเรียนเตรียมตัเตรียมตัวเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นปริญญาตรีกันเลย เมื่อปริยัตีแล้วบรรจุลงมาแขนงไหนเราจะเอาอะไปัญญาท่านปัญญาเป็นปริยัตีปริยัโทก็มีความรู้มีปัญญามากขึ้นปริยาตเอกก็เรียกจ่าจบสูงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคิดเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางปัญญาในอันนี้เป็นปัญญาทางโลกบาเดชทางพระเรียน หลักสูตรนักธรรมท่านทีเพียงไขหัวข้อวิธีปฏิบัตินักธรรมโทกั น, นรู้จักคุณค่าผลงานของการกระทำหลักนัตธรรมเอกก็เปว่าจกหลักสูตรอีกแล้วรู้จักเพื่อคัดจัดขาเรยเรียนบาลีประโยคสองเยเดี๋ยวนี้มีประโยคสองประโยคสามต่อไปก็จะมีประโยคหนึ่งขึ้นมาแล้ว แต่สมัยก่อนๆมีประโยคสามขึ้นต้นประโยคสามก็แปลแล้วแปลดังสือแต่แปลเอาภาษาอินเดียมาเป็นภาษาไทยแปลแปลอเสวนาเนี่ยเด่นแต่เมื่อหลวงพ่อเป็นเองไม่ได้แปลแปลมาจากเสนนโมตสัตว์หลวงพ่อเป็นเองแปลนโมูตสัตว์แปลพุทธังแปลวันทิตวาแปลระสตูแปลอัศวนา อย่างที่แต่ประโยคสามหรืออัศวบรนนาเนีว่าเอวมน้อยเอวามหลวงเขาว่ารแต่แตมาดเพาเป็นเอแป่ันนี้ประโยคสามแปประโยคสี่ก็แปลเอวามเหมือนกันแปลโมงเลประโยคห้าแปลไปประโยคหประโยคเจ็ประโยคแปประโยคเก้าประโยคเก้ากับจบหลักสูตรเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแต่ว่ามันต้องเรียนให้รู้ เรียนให้รู้แล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติเมื่อเรียนรู้แตกศารดีแล้วมาปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ย่างไ ม, ม่เด็ดขาก็มีมิถานเรื่อ ง, งไม่ใช่มิถานนะครูบาอจารย์นั่งสอนพระสุกโตโพติละเรียนพระใจดิดกแตกสารรู้แต่ไม่รู้วิธีปฏิบัติแตกสารแลแ้วยังไม่ลงมือปฏิบัติแต่วิธีรู้ แต่ยังไม่ลงมือทำบัดนี้ก็ไปแสดงธรรมที่ไหนคนก็กลัวเพราะมีคนรู้พระอิศโส ร, รตัชินพูดผิดเกิถูกพูดถูกเกิดถูกไปนี่เป็นอย่างบัดนี้เมื่อได้ยินกิจศัพท์กาไปแล้วครับคิดอยากไปสนทนาศึกษากับพระพุทธเจ้าแต่ไปที่ไหนไม่มีคนคัดค้านเลยไปหาพระพุทธเจ้าเลย พอดีไปหาพระบริเจ้าว่าจะไปนสนธนากับพระบริเจ้าพอดีทราบลงธรรมดาอย่างที่เราทราบกันสามครั้งมาแล้วหรือกคมพีเป่าพระบริเจ้าว่าให้กคมพีเป่าเลยเ <c oughs> นี่พวกหนูพวกคุณพวกท่านคงจะได้เคยได้ยินอย่างนี้แต่เราได้ยินแต่เราไม่ได้วิจัยกันเพราะเราขาดปัญญานั้นองแต่ไม่ใช่ขาดปัญญาอันที่ว่า พบว่าพระติโสโอแสดงไม่ใช่คือขาดปัญญาที่เนื้อหาสาระก็เลยทำไมไม่ได้พูดได้คุยอะไรมาถึงกราบแล้วก็บอกว่ากรรมที่เป่าให้เราก็เลยไม่ได้สนธนาะก็เลยคุยกันไปตามธรรมดานิสัยของคนทั่วไปวันนี้ได้เวลาจะกลับสุตติขับที่บ้านไม่อยู่บ้านเดียวนก็ไม่รู้ขไม่รู้ เราก็เลยกราบอีกกราบอี ก, ก, าอกสามครั้งก็ไปแล้วหรือใบลานเปล่าพวอีกให้สองครังง้งหนึ่งครมพีเปล่าใบลานเปล่าท่านให้ไปเอ๊ะทําไมบจะกลับก็ให้ใบลานเปล่าเมื่อไปก็ให้กรรมพีเปล่าก็เดิยมามาถึงบ้านสอนลูกศิษย์ได้เป็นพระละหันกรมีพ ร, รทะจุศโภธิดาได้เป็นพระละหันเป็นจำนวนมาก เพราะท่านมีวิธีการมีข่มรูแตกสารแต่ตัวของท่านยังได้ลงมือทำเองและมีผ้าโซดาผ้าสกีทาคาผ้านาคามีฟกกระดับทั้งสองเย่บแต่พวกนั้นนำไปปฏิบัติรูจริงประเด็กก็เลยมาถามลูกศิษย์เอา้าสอนก็นมาถานให้เราบ้างนะถามไปตั้งแต่ต้นไม่มีใครสอนให้เลย นี่สำคัญเรื่องหมานะเรื่องทิฏฐิเรื่องขมรูนี่เป็นสำคัญไม่มีใครกล้าสอนก็ลงไปสุดท้ายอย่างเนรน้อยองค์หนึ่งสลายครับเนรสอนธรรมะให้อาจารย์ได้ได้ครับถ้าอาจารย์จะเชื่อฟังคำผมและปฏิบัติตามคำแนะนําของผมเอออาจารย์จะเชื่อฟังอาจารย์จะเนรเอ่อลูกอาจารย์ จะเสื้อฟังให้เน้นแนะนาเลยอาจารย์จะปฏิบัติตามทุกอย่างเมื่อถ้าอย่างนั้นก็สอนได้อันนี้มีควมหมายอย่างไรบางคนอาจจะไม่เข้าใจคนที่มีปัญญาแตกสารเรียนขยายเอกเขาด็อกเตอร์รู้ทันทีคนที่เรียนประโยคเก้าเขาต้องรู้ทันทีคือเพื่อให้อาจารย์หมดมานะหมดทิฐิหมดควมถือเนื้อถือตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเนมท น, นั้นเองเพราะเนมนเป็นลูกศิษย์นะเป็อย่างนั้นแล้วก็เลยสอนแต่วจะสอนในขณะนั้นขอไม่รู้ให้อาจารย์แต่งเครื่องเสียงยกมาเลยแต่งเครื่องเสียงยกมาเลยลงไปน้ำสมมติออกหน้ากุฏิแล้หน้าศาลาลแล้วมีร้ำเอาอาจารย์ลงไปน้าในประเทศอินเดียมันจะหนาวหนืก็ไม่รู้ โอจะหนาวจะเป็นยำหนาก็ได้วันนี้เขาลงไปลงไปผ้ามันจะเสียกก็จ้อดจอดไม่ได้อาจารย์ปล่อยลงไปผ้าก็เสียกพอล้วรื่อเนรไม่อยากลงแล้วเนี่ยมันเกิดทิฏฐิขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันเสียกแล้วมันหนาวไม่อยากลงไปยังไม่พอลงไปลงไปท่ามเสียกขึ้นมาไม่อยากลงไปเลยมันอยาถามเนรได้แบบเนี้นี่เนี่ยปัญหามันการสงสัย เรื่องวิธการต่างๆเนี่ยเราต้องเรียนพอที่ลงไปเนป้นเขาบอกว่ายังไม่พอเนี่ยลงน้ํานึกเท่าใดก็จะนย็นเท่านั้นนี่ที่หลวพอคูดให้ฟังลงไปลงไปกอเที่ยงจะเทียงคอหรือเทียงดังผ้าเกียกหมดได้หนาวเท่าไหพอเรื่อยเน้นอาจจะว่าพอแล้วสิว่าอย่างนี้นพอจนเกียกหดเลยพอแล้วขึ้นมาเอาสอนกรรมฐาน อาจจะสอนในทันทีทันใดท่านก็ไม่รู้หรือจะให้ไป่ผัดเสื้อผัดผ้ามาแล้วอย่างผัดผ้าบมไม่ผัดคุณผัดเสื้อนอาจจะเป็นผ้าบ้านหอกพ่อถ้าเป็นครื่อหัดเึงคารวาสก็ต้องมีเสื้อมีผ้าอันนี้ก็จะอาจจะผัดสบงสังคาจีวรมาไม่ก็ไม่ไมรู้ก็เลยม า, าวสอนเมย์เมย์ก็เลยสอน ผู้ที่สนก็อาจารย์แตกสารมาแล้วเนี่แต่ไม่ลงมือทคนนี้นเองนี่มันปิวามปิดบางเนี่ยขนตาบังเราขนตาเราเนียบางตัวเราเส้นขนบางรูเขาไม่ให้เราเห็นตัวเราได้ไม่ให้เราเห็นตัวเราหรหมายถึงตัวเราเห็นคือไม่ให้เราเห็นปกตินั่นเองเนี่ยปกติเนี่ยเป็นวิสัยของบุคคลเป็นวิสัยของมนุษย์ เป็นลิขัยของพระเดียกเจ้าอยู่ปกติเป็นสิ่งสำคัญคิดปกติเมื่อใดขอบ้าเมื่อไหนบ้านหนูหองิงก็เลยถามอ้าวอาจารย์มีจุมโคนจุมหนึ่งมีเหี้ยอยู่ในลูในจุมพลนตัวเดียวแต่จุ่มพนมีหกลูบ้านหลว่อเลียหกคูแล้วให้อาจารย์จับเหี้ย ในจุมจ่มโพลจุ่มนี่จะจับโดยวิธีใดแต่คนไม่สลายเขต้องขุดขุดเป็นรูเป็นรูไปไม่พบตัว เ, เนี่ยก็เหนื่อยเปล่าเสียเวลาไปแต่อาจารย์ก็เลยตอบเนไม่ต้องขุดมันจะเสียเวลามันเหนื่อยเนยอาจารย์มันสลาดอุดเลบ้านบ้นหลพอเลยอับหาของมาอุดรูมันทั้งห้ารูมันจะออกมาหา กินอาหารข้างนอกหรือมันออกมาหายใจข้างนอกมันจะหายใจในรูในไม่ได้มันต้องออกมาหาข้างนอกหรือมาหากินก็ต้องมาข้างนอกจงไว้ดูเดียวจงไว้ดูเดียวจะทำยั ง, งก็เป็นนั่งหอยอยู่ที่ประตูดูเนะี่ยออกค้อนไปก็ได้หรือจะทำยังไงพอดีเหี่ยออกมาแบค้อนตีหัวต๊อกระกัดได้ อันนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องอ้างถึงอายตนะสิบสองพันสิบแปดันห้าอะไรมากไปบวมพระใจสิดกจนจบทั้งสามสิด ก, ก็มันรวมแล้วจะศึกษาหมาที่ตรงนี้องอ๋ออย่างนั้นปุเณ์เนี่ยอาจารย์ก็เลยเดือนพระใจสิดกแตกสายไปเที่ยวเที่ยวแต่ยังไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับท น, นั้นก็เลยสลาดเนี่ยเรียนมากก็สลบเลย เรียนมากยากนานบางคนไม่รู้มีมานะมีทิทิไม่เชื่อฝังไม่จรเรียนน้อยพอยรําคาเรียนน้อยก็ไปรู้เรื่องอะไสู้ไม่เรียนอะไรเสียเลยดีกว่าไม่เรียนอะไรเลยเรียนวิธีการให้สมิสตมนานน์ปฏิบัติลงมือปฏิบัติเลยให้ญาณของปัญญาเกิดขึ้นอี่าวิปัสสัญญา เกิขึ้นยอดเป็นมหายานของภิสระนั้นที่นำมาล้ใาใฟังวันนี้เพื่อเทวะให้ทุกคนศึกษาได้ธรรมะแบบนี้ไม่เป็นธรรมะของใครเป็นธรรมะของบุคคลผู้ที่รู้ไม่ใช่เป็นธรรมะของเนไม่ได้เป็นธรรมะของพระอย่างที่เหล่านี้อันนี้เป็นพระส ม, มุติไม่ได้เป็นธรรมะของแม่ขาวไม่ได้เป็นธรรมะของแม่ดา ไม่ได้เป็นธรรมะของคนไทยไม่ได้เป็นธรรมะของคนไทยไม่ได้เป็นธรรมะของฝรงั่งเศสอังกิษอเมริกาเยลมันคาดีญวนลาวอินเดียไม่เป็นของใครเป็นของบุคคลผู้ที่รู้รู้แล้วทาลายก็ไม่ได้รู้แล้วจะโงนด้วยขติกลไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสตัดทั้งหลายคือเราจะถาตทัดทั้งหลายเหมือนเราจะถาคต ทั้งหลายเป็นตถาคตแต่ไม่ใช่สัญลักษณ์เป็นตถาคตข้อที่สี่ข้อสุดท้ายเนี่ยพวกเราฟังกันแล้วอาจจะเข้าใจได้บางนุนบางคนอาจจะไม่เข้าใจได้ทั้งหลายเราโคเป็นปะถาคตไปถึงแล้วเหต น, นั้นหมายความว่าอย่างไงเออเงยมือขึ้นมาแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายเนี่ย นำอะไรมาสอนอ ม, มันต้องสั้นให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติแน่ลงมือเรื่องจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคกนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ทําอย่างอื่นไม่รู้หรืออาจจะรู้พอได้ไม่รู้พอได้ทําไมท่านรับรองอย่างนั้นเราก็ต้องมีปัญญาด้ยคนที่มีปัญญาจึงจะเป็น คนได้อันคนคนเนี่ยมันให้ซื้อเสียงเลียงนามานานแล้วนี่จะถามมาหลายคนคนนี่ใครให้ซื้อเสียงเนียเขาพูดตามกันมาอย่างนั้นได้ก็พูดกันมาอย่างนั้นเเพราะยังไม่มีปัญญาคนนี่ผู้มีปัญญาถ้าหากไม่มีปัญญาแต่เป็นคนแทงขาหน้าตามือเท้าเป็นคนแต่ยังไม่ใช่คนที่เรียกวาคนคนนี่ต้องรู้จัก เลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้กับชีวิตของตัวเราไม่ให้ตัวเราเดือดร้อนและไม่ให้สังคมเดือดร้อนเดี๋ยวว่าเป็นมนุษย์เมื่อไม่เดือดร้อนทางตัวเราและตัวคนอืน่นนี่ยเนี่ยความสบายคนตามมาตามมาตา ม, ม า, า, มมาความไม่สบายคนหายไปเมื่อความไม่สบายหายไปหายไป มีแต่คนสบายเพิ่มเข้ามาเข้ามากิจวัตรเป็นปกติก็ได้เป็นพระเดียบุคคลใกล้ๆดังนั้นจีงว่าพระธรรมเห็นพระธรรมที่ตรงนี้พระธรรมการพระธรรมงานพระพูดพระคิดอันพระคิดคือพระคิดเกษตรเกษตรผักคิดเกษตรฉันบ้านนั่นอันพระคิดเนี่ยให้รู้จักความคิดสึ่งที่เป็นประโยชน์เอี่ยพระคิดพระธรรม คิดและต้องทําตามหน้าที่ของตัวเองเนี่ยพระธรรมไม่ใช่ผีทำถ้าผีทำมันก็ต้องไม่ดีเพราะทำผิดพูดผิดติทติอย่างที่หนอ น, นั่นเองอย่างพระธรรมคนธรรมถูกต้องพูดถูกต้องคิดถูกต้องก็เรียกพระธรรมพระธรรมึ็คือทุกคนนั่นเอง ไม่ใช่เป็นตัวหนังสือไม่ใช่เป็นกำพีไม่ใช่เป็นไบลาดไม่ใช่เป็นสีเป็นแสงแต่มันเป็นของสิ่งที่บุคคลผู้ที่รู้อย่างนั้นมาความรู้ที่มีหลายระดับเทวดาสมมาทิตถิไม่เหมือนกันทําไมพระพุทธเจ้าไม่ได้เอามาสอนท่านสอนท่านเรียนมาแล้วสมบัติแท้ท่านทำไมจึงไม่เอามาล่อ บัดนี้ท่านทํามาแล้วทุกการิยาต่างๆทําไมท่านม่เอามากล่าวท่านจึงไม่เอามากล่าวไว้ท่านทําไมเอามากล่าวไว้จ่ะวะให้มีเนีย่ยให้เจริญสติปัฏฐานสีคาว่าสติปัฏฐานสีเนี่ยานก็บอกกายญานุปัสฐนาอันนี้คนอื่นพูดแปลมานะเรื่องสติปัฏฐานสีกายญานุปัฏสนาให้มีสติดูกายใดกายหนึ่แปมา บาอารารย์พุทธังแล้วก็ข้อที่สองให้มีสติดูเวทนาในเวทนาให้มีสติดูธรรมในธรรมเออให้มีสติดูจิตในจิตให้มีสติดูธรรมในธรรมกายานุปัสนาให้มีสติดูกายในกายเวทนานุปัสนาให้มีสติดูเวทนาในเวทนาจิตตานุปัสนาให้มีสติดูจิตในจิต ทำมาโนปัฏนาให้มีสติรู้ธรรมนะครับก็หมายถึงข้อถามนั่นเอ ง, เ อ, งอันนี้เป็นข้อตีน้อยที่ครูบาอาจารย์นำมาสอนและประเด็นเนื้อหาสาระสอนมาอีกว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนให้มีสติกำหนดรู้เดินให้มีสติกำหนดรู้นั่งให้มีสติกำหนดรู้ นอนให้มีสติกำหนดรู้อันนี้จบเป็นเรืยอบททั้งสี่แล้วก็ยังไม่พอให้มีสติกำหนดรู้ในเรื่รยอบทย่อยผู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีการดูอันนี้เข้าใจว่าตัดทั้งหลายเราผู้เป็นเจ้าพตไปถึงแล้วเหตุ น, นั้นและจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงระพฤตปฏิบัติตามอย่างเราจะพคนนี้เป็นคำมั่นสัญญาของท่าน ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราแต่ทศนี้ถ้าเราทำได้จะไปคอยเอาซาสตหน้าแต่ว่าผมเห็นก็ไม่เหมือนกันสิ้นก็ไม่เหมือนกันสิ้นห้าสิ้นแปดสิ้นสิบสิ้นสอง้อยถ้าองค์ทำมาแล้วกำจัดสิเด็ดไม่ได้ก็มีเรื่องที่จะนามาเล่าเป็นหัวข้อสั้นๆให้ฟัง มีพิสูจคนหนึ่งบวชเข้าไปศรัทธาในพระสงฆ์เนี่ยบวกเข้าไปก็เลยมีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดพอดีบวกเข้าไปทีแรกก็ศรัทธาบวกเข้าไปแล้วก็โอ้สินสองร้อยี่สิบเจ็ดนักศานด้ได้ก็จะฝึกบนเนี่ยก็ไปลาฝึกอาจารย์เขามาให้สึกไม่สึกก็ไปลาสึอาากอ้าวเลาสึกหลายครั้งแล้วก็เลยนํา ไปหาพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาใน่ตกอาจารย์ก็ได้นาไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอ้าวมาทําไมจะมาศึกก็ได้ศึกไปทาไมเพราะมันถินมากเกินไปทําไมมากถึงสองร้อยยี่สิบเกข้อจะรักษาไหว้หรือคนอื่นเขารักษาไหวคนอื่นรักษาไหวตัวผมรักษาไม่ได้อรักษาไม่ได้จริไม่ได้เอาสองร้อยข้อได้ไหม ไม่ได้โอ้สองร้อยข้อก็ไม่เอาไม่เอาเอาแบบ น, นี้เอาเอาร้อยข้อก็ไม่เอาเอาสิบข้อได้ไหมสิบข้อก็ไม่เอา <c oughs> อย่างที่เราถือโบสถ์สินเอาแปดข้อได้ไหมไม่เอาอย่างที่เราถือสิบห้าเอาห้าข้อได้ไหมไม่เอาโอ้ไม่เอาทั้งหมดเลยแคสิบข้าเดียว เพราะมันรักษามากเกินไปรักษาไม่เอาข้อเดียวได้เออข้อเดียวเนี่อาลองดู เ, เนี่ยโคนหกโคนจุ่งเดียวมีหกลูมีเหี้ยอยู่ในตัวเดียวก็เหมือนกันนี้เองคำเดียวกันนี่แหละยแต่ว่าข้อใหญ่ใจคมคือปกติอเองคำพูดมันกว้ามันมากรักษาข้อเดียวได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลย เนี่ยเป็นยั้นอันเรื่องจิตใจไปรักษามาทมําำมาแต่เราให้รู้ทันแต่ว่ารักษาเก่วว่ารักษาพอได้มาซึ่งมาเราเห็นเรารู้เรียกว่าไม่ทำไปตามอารมณ์เท่านั้นที่หลวงพอได้มาให้พอกทิศเป็นเครื่องเป็นจิตเปิตใจหลังจากการทำรักเท้าวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาแล้ว ท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมานั่งฟังธรรมะยนดีพระที่นี่อาตมาขออ้างเหี้อคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําทั้งถอนของอดิเรกพระสัมมาสัมเุทเจ้าและคุณของลัทธาสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเชิญจิตกับจิตใจของพวกเราให้พวกเราได้ปริบัตดีปฏิบัติชอบตามพระเจ้าตัดเอาไว้นั้นว่าตัดทั้งหลายคือเราสถาอโทษ ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตวทั้งหลายเป็นตถาคตธธรรทำผิดมีบ้างถูกบ้างแต่พระองค์ไม่ทอถอยตอนสุดท้ายในพระองค์ได้สําเร็จเป็นพระลักษมณ์มาได้ตลอดัตวทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจึงนํามาสอนพวกขือทั้งหลายว่ากายเวทนาจิตธรรมนี้เองนอกจากสติปัฏฐานสีิยูติสตี กำเนดรู้นะีบททางสี่นี้เองขายุบทย้อยกันเองคว่าให้เราศึกษาตัวจริงถ้าหากเราไม่ได้ศึกษาตัวจริงเราไปเพียงเรียนก็เหมือนกับพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์นั่นเองขอให้พวกเราทุกคนได้เจริญรน่อยตามได้พบได้เห็นเอาคือจิตใจอันสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธ จิตใจปกติคันนี้ปกติแล้วกาจิตใจท้องใสเมื่อจิตใจท้องใสก็จิตใจว้องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างในชีวิตนี้เลือเวลาในใกล้นี้จงทุกทุกคนเธอวันที่ยี่สิบสาวกันเบ่า้นี้เม <c oughs> ื่อทานอาหารเสร็จแล้วก็ พยายามพูดและทำของเข้าใจกับพวกเราฟังแต่หลังจากการสันอาหารตอนเสารวันนี้วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามวันเสาร์ ก็ต้องพยายามพูดกันทุกเช้าทุกเย็นตอนสันกลางวันสันตอนเช้าก็พยายามแนะนำทำความเข้าใจกันเรื่องปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นทำในจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะทุกคนต้องการความดีทุกคนจะเป็นคนจนคนรวย นึกคนสวยคนไม่สวยก็ต้องการคุณดีคมงามทางนั้นเว่าคุณดีความงามนั่นคือธรรมะธรรมะกับชีวิตมันคล้ายๆกันต้องการแต่ความดีความกล้าวหน้าความถอยหลังไม่ต้องการคนทำบุญทำทานจึงมีมูลพระเก้ารูปไปสวดปริตตะหมู่คนในบ้าน อันนั้นมีความหมายแต่คนนั้นทาตาตามกันมาบางคนก็ไม่เข้าใจใครพาไปสวดพุทธคุณท ร, รมาคุณสังฆคุณแล้วก็ยังไม่แล้วก็ยังมีมนพระอีกถิบเก้าลูกไปสันพัสหานหรือไปทำสังฆทานไม่เป็นอย่างไงและมีความหมายอย่างไรไม่รู้ก็เพราะต้องการความดีแต่ไม่รู้ดีเอาดีก็ไม่ได้ คนไม่รู้ดีเอาดีจริงไม่ได้คนไม่รู้บุญเอาบุญก็ไม่ได้คนไม่รู้ทุกหนีทุกไม่ได้คนไม่รู้ขุมชั่วหนีคุมชั่วไม่ได้ท่านจี้วะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจและลงมือปฏิบัติทาลองดูมันชั่วจริงไหมมันดีจริงไหมมันทุกจริงไหม มันไม่ทุกจริงไหมเราก็ต้องพยายามทำไม่ใช่ทําจังหวะเดินจงกรมแล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วแต่ยังไม่แก้ไขความทุกข์ของเขาต่อตามมาเรารู้แล้วต้องแก้ไขคนมูลา น, นันว่าคนดีต้องแก้ไขคนจันไรต้องแก้ตัวเนี่มังแก้ตัวแก้ตัวเท่านั้นเองเออกตัวรอด อันนั้นคนสมัยนีเอาตัวรอดไปยอดดีไม่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ต้องเอาตัวรอดแต่ต้องแก้ไขสิ่งที่ผิดให้คืนมาถูกต้องสิ่งที่มันไม่ดีต้องผัดเปลี่ยนออกให้มันดีขึ้นมาดังนั้นพระเก้าลูกมีมนต์ไปสันไหนบ้านหมายถึงทําการทํางานไม่ถอยหลังทําการทํางานก้าวหน้า หรือทุกสิ่งทุกอย่างเลือนสั้นขึ้นไปใช่ไหมเป็นปฐมเบื้องแรกเรียกเป็นปฐมเรายังไม่รู้เนี่กว่าปฐมฌ า, านผุติญฌานจาตจิญฌานจับสุทฌานปัญญาฌ า, านหมายถึงอะไรเนี่ยมันมีความหมายไม่ใช่พูดได้รู้แล้วออกไปพูดกด็ดีอันนั้นกด็ดีแต่พูดให้คนดีปัญญาเอาไปใช้คนไม่มีปัญญาก็เอาไปใช้ไม่ได้ใช่ไหม คนขาดปัญญาแล้วจะเป็นคนไม่ได้แต่มันเป็นคนได้เพราะเกิดกับคนันเกิดกับคนมันต้องเป็นคนที่ทางจิตใจไม่ใช่คนมันจึงเลือกคัดจัดถาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้กับชีวิตตัวเองไม่ได้ไม่ใช่คนมันก็เหมือนกับสัตว์จริงสัตว์มันไม่รู้แต่มันก็รู้เดี๋ยววิญญาณจรงแต่ว่ารู้ สัตว์ก็มีวิญญาณเหมือนกันวิญญาณแปลว่าเข้าไปรู้เข้าไปรู้อะไรเข้าไปรู้สิ่งที่ควรและไม่ควรสิ่งที่ผิและสิ่งที่ถูกต้องกันด้วยนังไดั ง, ไงนั้นทำการก้าวหน้านี่แหละเป็นสังฆคุณทำการก้าวหน้านี่แหละมีมนต์อกิษฐเก้าลูกไปสวดสิบลูกก็สวดคนเดียวกันองค์เดียวก็สวดคนเดียวกันถ้าหากเรารู้ธรรมะจริงจริงองค์เดียวก็ได้ สององก็ได้สิบองค์ก็ได้ไม่ต้องกำหนดกเกณฑวยอสังฆท า, านสังฆท า, านก็หมายถึงสงจะเป็นสงก็ได้เป็นโยมก็ได้เป็นใครก็ได้เราเคยได้ยินกันแล้วว่าณทิทางจตานี่ปุริส า, านุขาณิอัถฐปุริสาบุคลานี่คู่แห่งบุรุษีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เอส า, าาสาพระวัโตสาลกสามโคนั่นแหละสงสาวกของพระพุทธเจ้าหนึ่งนั่นแหละก็ถหมายถึงบุคคลผู้ที่พระพุทธเจ้ารับรองถ้าที่ว่นั่นแหละเอาคือคนผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรไม่หลงคือไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่หลงใจ คือไม่หลงชีวิตเราเนี่ยพูดจริงๆคือไม่หลงชีวิตเราไม่ปล่อยให้ชีวิตเราเป็นหมันแ น, น่นอนการเกิดเป็นคนเนี่ยหาได้ยากบางคนนะแม่ตั้งท้องขึ้นตายเลยไม่ทันได้เกิดเป็นคนเนี่ยบางคนเกิดออกมาสองวันสามวันตายไปก็มีบางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวตายก็มีบางคนเป็นพ่อบ้านเน่ยแลอนตายไปก็มี บางคนแก่อายุเจ็ดสิบปีแปดิปีตายเนาเข้าโลกตายทุกคนคนตายถึงไม่ไวหวหน้าไม่ยกเว้นใครทั้งหมดเลยท้านเจ้าอาวาสอย่าให้หวมตายมาถึงข้าวถ้าควมตายมาถึงข้าวแล้วก็จะเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพธธระพุทธศาสนาทีเดียวเนี่ยเราปราถนาอ้อนวอนเอาทรัพย์หน้า คือคนยังไม่เข้าใจคำว่าศาสต์หน้ามันไกลเกินไปเราต้องเอาศาสตร์หน้ามาไวา้ศาสตร์นี้เอาอนาคตมาไว้กับปัจจุบันให้มันได้คนโบราณถ้าจึงสอน ว, ว่าวัฏสงสารยืนยาวนานสำหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ธรรมคนที่ไม่รู้ธรรมก็เอาศาสตร์หน้าคนเอาปีหน้าคน ไม่คิดถึงคำหนึ่งคำนวณเรื่องปัจจุบันเรื่องปกตินี่เองคนถ้าหากรู้จักปัจจุบันก็ต้องรู้จักปกติพิดปกติือเมื่อใดก็ต้องบ้าเมื่อนั้ น, นทีถ้าคนป่วยคนไข้จวนจะมุดลมหายใจกระโจวนจะตายแล้วบ้นหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นให้มาดูให้มาดูมาดูคนตายดูแลจะได้ประโยชน์อะไรดูคนตาย ไปดูดูคนตายก็หมดลมหายใจ ก, ก็เหมือนทถอนไม่อนปุณินี่เองเสียทีแล้วเสียชาติความเป็นเกิดเออความมาเกิดเป็นคนแล้วไม่ได้นลูกทำมาอะไรเ่ยตายตกบันไดไปเอาหัวกระแทกลงไปคอหักเลยหลวงพ่อเคยเตียให้ฟังนับมวยลงบันไดเขาเต้นชักลงไปเดินไปได้สบายเราไม่เคยลงบันไดลงไปตกบันไดาขาหักเจ็บบางทีได้แต่ ให้หมอเอายารักษาเข้าเพื่อเพื่ออะไรหลวงพอไม่รู้เขาเรียกอะไรบางที่ค้าหักตายเลยก็มีเนี่ยเป็นอย่างนั้นเราต้องฝึกหัดท่านจึงว่าคนเกิดมาร้อยวันผันปีหากไม่รู้จักเรื่องชีวิตตัวเองเลยชีวิตเป็นหมันชีวิตเป็นโมคะท่านว่ายังไบวชมานานๆนก็เช่นเดียวกันเรียนพระใจติดดกจนแตกสารก็ตาม ถ้าหากไม่รู้เรื่องชีวิตเรื่องจิตเรื่องใจแบบอานิสง์การบวชของคนนั้นก็เป็นหมันเป็นโมฆะสู้บุคคลที่บวชมาเพียงบันเดียวไม่ได้บุคคลเกิดมาร้อยวันพันปีก็ตามสู้บุคคลเกิดมาเพียงบันเดียวไม่ได้รู้จากเรื่องชีวิตจิตใจจิตกิญญารให้ทานก็ตามการรักษาศีลก็ตามทำกรรมฐานก็ตามแต่ลาาเลยนี้ปรัชนาภาวนาก็ตามหากไม่รู้เรื่องจีตวิตญาณจแสดงว่า ทำเสียเลาการฟังเทศฟังธรรมฟังลัมฟังแทนฟังนุนตีก็ตามฟังแล้วมันไม่เกิดปัญญามันแก้ไขปัญหาการขัดแย้งตัวเองม่าเลอก็เสาได้เลิกได้ฟังเทศฟังธรรมฟังแทนฟังหมอลำฟังดุนตีก็ตามฟังแล้วมันเกิดปัญญานํามาแก้ปัญหาเรื่องชีวิตการขัดแย้งใครในจิตใจตัวเองได้ นั้นเละถูกต้องทันว่าอย่างนี้นการจเจริญนิพพานก็ตามเจริญไปเท่าใดก็ตามถ้าแก้ปัญหาการขัดเงื่อภายในจิตใจตัวเองก็แสดงว่ามันยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมันเป็นเพียงทิฏฐิจุดทิฏฐิจึงเป็นสิ่งสําคัญสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเอาไว้แต่ตัวทิฏฐิเป็นสิ่งสําคัญพอดีเห็นวัามิจฉาทิฏฐิเข้ามาเราไม่เห็นไม่รู้ ถูใจก็ถูกป้องกับสํารับบางที่ถูกเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้บางที่ถูกเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เป็นสมาธิธิก็ได้จิว่วสมาธิจง ป, ประกอบด้วยปัญญามิจฉาทิฏฐิ ป, ประกอบด้วยโมหะเราหลงตนลืมตัวหลงชีวิตเราไหมถ้าเราไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงชีวิตของเราก็แปล ว, ว่าเราอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาจิงวาหากทิกสุ พิสูจนีอุบาสกุธิษาประพฤดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยของเราจตถทาคดูมักผลนิพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้ในท่านสอนเนาท่านตัดสั้นๆแต่เราไปทํามันยาวไปเมือนกับเอาใบไม้ในป่า ก, กับใบไม้แต่มือเดียวมาเปรียบเทียบเราตัดเอาทั้งรากทั้งโคนมันไปจะไปปลูกบ้านแปงเพืองก็ตัด เ, าเอาล่าเอาโคนมันไปมันนานได้อยู่ จึงวัาจะสงสารยืนยาวนานสําหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ในทันวันบัดนี้คนที่รู้จักเอาอนาคตมาไว้กับปัจจุบันแก้ปัญหาปัจจุบันให้มันได้ก็เลยไม่ยาวก็เลยวัาจะสงสารสําหรับคนผู้ที่รู้ธรรมใกล้ที่สุดกางวันนานค่าการคืนในแจ้งนานแจ้งสําหรับ คนทุกที่เจ็บป่วยไข้ก็เหมือนกันคนเจ็บคนป่วยคนไข้นอนนอนไม่หลับถ้าเป็นการคืนกับปันไดะจะัศวามานอนเห็นไหมนอนไม่หลับทิ้งเ่องนั้นเร่งนี้ไปเลยวัน น, นี้กลางวันโอ้ยปันไดจัคงค่ำนอนอนได้หลับมันพกขนาดใดปะเนี่ยบาดนี้ทางยาวไกลสาหรับบุคคลผู้ขที่ห้าบของหนักเราหาของหนักไปกันนานถึง ทางเชียงสิบกิโลเท่ากันหรือสองกิโลก็ได้คนไม่มีของเดินไปมันก็ไม่หนักมันก็ไม่เดินไปแท๊กแท๊กแท๊กไ่เดถึงเลยถ้าเรามีรถยนต์ออกของแต่ในรถยนต์ก็จะไม่หนักอันนี้เราหาข <c oughs> องหนักไปฉันว่าพาราหะเวปัญจขันทานขันตังห้าถึงของหนักเนินพาราหะโลจะบุคคลโลนบุคคลผู้แบกของหนักพาไป พาราทานังทุกขังโลเกนการแบกถือของหนักถึงของทุกในโลกนิพพิตวาขาลุงพลังพระเดียกเจ้าสลัดของหนักขึ้นลงเสียแล้วอันยังทาลังอาณาธิยะทั้งไม่หยิบสวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีสระมุลังตันหังอภัยยะเป็นโู้ศหรอนตัญหาขึ้นได้กัดทาลาบเนี่ยทนบอย่างนี้อันนี้แหละ ที่เราทําอะไรต้องให้มันรู้ให้รู้จริงๆแล้วนํามาปฏิบัติกับชีวิตของเราจริงๆถ้าหากเราไม่รู้ ม, มันก็ปฏิบัติล้มลุกคุกคานแต่ด้วย่างไงที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมะมันมีหลายอําเภอมีหลายจังหวัดมีหลายบ้านแล้วก็ผู้ที่มีความรู้มากผู้ที่มีความรู้น้อยล้วนแต่เป็นผู้ที่สนใจ ต้องการปวงสุขทางนั้นเตีทยทุกแต่ทําไมทุกติดตามเรามาได้ก็เพราะเรื่องเราหลงตัวนั่นเองอที่หลังจากการสั่นอาหารตอนเช้าวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยีิบสามก็เห็นว่าสมควรเสีเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาจจะมาพร้อมด้วยพระสงฆ์ได้ย่าโยมมานั่งฟังธรร ม, มนะลูกน่าสถานงที่นี้อาจจะมาขอ อ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของนาตาสาวพกพระสมมาสัมุจมาเตือนจิตสติใจของพวกเราให้เราได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจอันจิตใจสะอาดจิตใจสวา่างจิตใจสงบจิตใจปกตินี่อันปกตินี่มันมีอยู่แล้วในคนทุกคนทำไมยึงไม่รู้พิดปกติเขาเรียกว่าบ้า พิษปกติก็รู้ว่าส่วนจะตายไปหาพระอะหรหันต์พิษปกติมันจะเจอทํำไมมีแต่พระอะหรหันต์ที่ว่าลืมตัวนั่นเองดังนั้นสังโคมพระจึงเสียสะเสียตายเสียอะไรเสียเวลาเสียเงินเสียทองกรรมาฐานกรรม ท, อ ก, มทอกกรรมลอกเอาเองินในบ้านหนวงพอโซนพอเหนือปุญญาทายมันฟังกันยังไงไม่รู้ตัวเองก็ไม่รู้พูกมาแล้วเรื่องนี้จริงว่า นำความจริงมาเราให้พวกเราฟังแล่อก็จิตใจปกติจิตใจ้องใสปกติแล้วก็ทองใสว่องไวสามารถมองเห็นอะไระทุกอย่างอันนั้นคือจิตของพระริยาบุคคลนี่ว่าเอสะภคะวโตสาวกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระปุญญาภาคเจ้าขอให้ทุกคนทุกคนจงเป็นพระกันในขณะนี้ เรือเวลาอันใกล้ในจงทุกๆคนเธอ